คืหลพเนียมักจะใ น, เ, นเรื่องของเรื่องของความรู้สึกตัวเองของปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยคือคือจริงๆเน้นเรื่องของตัวเองอะนะเรื่องของตัวเรานะเรื่องของตัวเราตัวเรามันมีกายมีจิตมีใจมีความรู้สึกมีความนึกคิดมีอารมณ์ซึ่งตรงเนี้ยคนมักจะละเลยในการที่จะรู้ละเลยมากๆเพราะว่าเพราะอะไรอะเพราะว่าหนึ่ง ไม่ไม่ไม่คุ้นเคยที่จะรู้ตรงนี้นะมักก่คุ้นเคยที่จะไปรู้สิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวนะซึ่งการที่เรารู้สิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นมันเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินที่ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติมันนานแสนนานอ่ะ จนกว่าได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเรื่องของทางสายเอกทางสายเดียวทางสู่ความพน้นทุกข์คือต้องกลับมารู้ตัวเรารู้ตัวเราคือรู้ให้จริงรู้ตัวเราเนี่ยทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนปันกลางขนาดไหนรู้ให้จริงว่าสิ่งนี้มันเป็นแค่สังขารมันเป็นสังขารปรุงแต่งนะ มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะมันเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลานะมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับหน้ากันทุกวินาทีทุกขณะจิตนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้คงที่มันไม่ได้ถาวรมันไม่ได้เที่ยงอ่าหรือจะเรียกว่ามันจะเป็นตัวตนที่ถาวรก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลา เพราะนั้นจึงเน้นตรงนี้แหละว่ามันจึงเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะทนทุกข์ได้แต่ทีนี้มันก็อย่างว่าคือกันที่เราได้ยินได้ฟังคาสอนแนวนี้บางทีมันจะเรียกว่าน้อยไปก็ได้พอมันฟังน้อยหรือไม่ค่อยได้ฟังเราก็จะมารู้ตัวเองก็รู้ไม่เป็นอีกว่ารู้ยังไงอ่ะรู้ตัวเอง ทำยังไงถึงจะรู้ตัวเองได้มันก็มีความยุ่งยากความยากในการที่จะรู้คือว่าไปแล้วนี่นะที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ถ้าลองย้อนหลังจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยจากตัวเองที่เริ่มต้นเข้าสู่ของการธรรมะในขั้นที่เรียกว่าทำกรรมฐานเนี่ยนะหรือว่าการฝึกสติ หลวงพ่อก็ได้ยนินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่าให้รู้ตัวรู้กายรู้ใจเราก็ฟังแล้วเราก็รู้เราก็ฝึกจนถึงกันนั้นนะมันมันไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้เข้าใจแต่ก็ต้องทำฝึกเดินก็ให้รู้สึกตัวนั่งก็ให้รู้สึกตัวยืนก็ให้รู้สึกตัวนอนก็ให้รู้สึกตัวคิ้วเกินเดิมทาพูดคิดไม่รู้สึกตัวเราก็ทา แต่มันไม่เกิดปัญญามันก็แต่ก็ต้องทำไม่เกิดปัญญาแต่ก็ต้องทาแต่แต่แตยังไงก็ตามนะั้นหลวงพ่อมองว่าถึงแม้ว่าตอนนั้นมันไม่เกิดปัญญาแต่ผลผลที่มันเกิดขึ้นกั บ, ก, บกับการฝึกอมันก็ให้ผลแล้วนะเออมันให้ผลเช่นก่อนฝึกเนาะเราคิดเยอะคิดมากแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับความคิด ยิ่งยิ่งคิดอยากให้มันหยุดมันก็ยิ่งคิดยิ่งคิดแก้ปัญหามันก็ยิ่งคิดยิ่งคิดที่จะเออจะให้เป็นไปตามเราหวังอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ยิ่งคิดกลายเป็นยิ่งคิดหนักกว่าเก่าเพราะว่าเราแก้ปัญหาด้วยการคิดแต่ทีนี้พอเรามาฝึกเออพอรู้สึกตัวมันก็ความคิดมันก็จะน้อยลงนี่สิ่งที่พบที่เห็นนะมันจะน้อยลง แล้วก็มันไม่ค่อยแก้ปัญหาด้วยการคิดสักเท่าไหร่นอกจากเรื่องทางโลกนะทางโลกมันแก้ปัญหาก็ต้องคิดแต่ในเรื่องทางทางธรรมะเนี่ยมันแก้ปัญหาทางจิตใจเนี่ยมันไม่แก้มันไม่ได้แก้ด้วยการคิดแต่มันแก้ด้วยการรู้เออมันก็เห็นผลว่าเออจิตเนาะสงบมันก็มีความสุขขึ้นมันก็มีความพอใจเนาะมีความพอใจในผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าได้ความพอใจ แต่เราก็ไม่มีปัญญาว่าไอความพอใจเนี่ยมันก็เป็นกิเลสอย่างละเอียดแล้วก็ไม่รู้จักแต่มันพอใจไว้ก่อนเพราะว่ามันถูกใจพอถูกใจเราก็ฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยฝึกฝึกึ ก, ก, ก, กเออมันก็ให้ผลอยู่เรื่อยเลยเท่าที่สังเกตเนาะอือารมณ์ต่างๆที่เคยเคยโลภเคยโกรธเคยอะไรมันก็ระงับยับยั้งมันบรรเทามันน้อยลงเออมันก็เห็นผลมาตามลําดับ หลวงพ่อก็มองว่าเออเนาะบางทีเราฝึกไปแบบแบบไม่มีสติปัญญาแต่มันก็ให้ผลได้ในทางที่เรียกว่าในทางที่เป็นกุศลมากขึ้นนะแต่มันก็ละกิเลสอย่างอย่างอย่างที่มันละเอียดกว่ามันยังละไม่ได้เพราะว่าปัญญาไม่เกิดทีนี้หลวงพ่อก็มองนึกถึงว่าอย่างพวกเราเนาะคนใหม่ๆคนเพิ่งเข้าวงการเนี่ย มันก็ยากพอสมควรเนาะที่จะทําให้เกิดปัญญาเออแต่ว่าถ้าให้ทําไปมันก็ให้ผลได้แต่ปัญญามันมาทีหลังหลวงพ่อก็มองว่าเออบางครั้งบางคราวการที่จะให้เกิดปัญญาคือให้มันเป็นเหตุปัจจัยเนาะเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดปัญญาเนี่ยนอกจากเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราต้องฟังต้องต้องคุยต้องสนทนากัน เนี่ยอย่างยุคหลังๆเนี่ยหลวงพ่อสังเกตนะการสอนธรรมะเนี่ยมันไม่ได้สอนแค่แบบพูดให้ฟังอย่างเดียวมันต้องสอนแบบมีการคุยส่งกันบ้านแล้วก็ชี้แนะชี้บอกว่าเอออันนี้นะที่ปฏิบัติมามันก็ถูกนะแต่ว่ามันยังมีอีกสิ่งที่ต้องพัฒนาคือต้องให้รู้ยิ่งมากไปกว่านี้อีกอ่ะก็มีการชี้มีการบอก หลวงพ่อก็เห็นว่าเออนอ ก, การพูดคุยสนทนาในแนวนี้มันทำให้เกิดสติปัญญาได้เร็วขึ้นนะเพราะอย่างน้อยเราก็ไม่ติดอยู่กับที่อย่างน้อยเราก็ไม่ถอยหลังเข้าคลองนะมันมีแต่การพัฒนาต่อยอดต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะงั้นอันนี้พอหลวงพ่อเห็นปัญหาจากตัวเองเนี่ยว่าการที่หลวงพ่อปฏิบัต ทำเนี่ยบางทีที่มันเดินช้าที่เราติดอยู่กับที่หรือว่าเราไม่เข้าใจเพราะว่าเราส่วนมากปฏิบัติด้วยการฟังแล้วก็ปฏิบัติไม่มีการพูดคุยสนทนาต่อยอดในทางปัญญามาก <c oughs> ครูบาอาจารย์ที่สอนเราโดยตรงท่านก็ไม่ค่อยพูดเยอะเว้นแต่ว่าเราไปถามแต่บางเอิญเราก็ค่อยถามก็ถือว่าจะปฏิบัติให้รู้ด้วยตัวเอง พอไม่ถามเออมันก็มาเห็นถึงว่านี่แหละเพราะเหตุไม่คุยไม่ถามก็เลยเนินช้าทีนี้พอเป็นอย่างนี้หลงพ่อมาเนื้อถึงว่า อ, อการที่ให้พวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยานะที่จะอปฏิบัติธรรมให้มันเร็วก็ต้องมาพูดคุยโดยเฉพาะกลุ่มทางคราบเฮาเนี่ยก็ดีนะเพราะว่ายุคนี้มันยุคโควิดเนาะไปพบไปมาหาสู่กันก็ไม่ค่อยได้ แต่ถ้าการพูดคุยทางคลับเขาอยู่กันคนละที่มันก็ป้องกันเชื้อได้อยู่แล้วแล้วก็มีการถามมีการพูดมีการคุยก็จะเป็นหนทางอีกทางหนึ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ได้นี่หลวงพ่อก็เกินมาอย่างนี้นะเพราะงั้นหลวงพ่อจึงเห็นความสําคัญว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดคุยธรรมะจะสอบถามแต่ยังไงก็ตามที่หลวงพ่อเน้นมากที่สุดคือ ระหว่างที่เราฟังระหว่างที่เราถามเนี่ยยังไงก็ต้องให้รู้ตัวให้รู้ตัวเลยเช่นมีการถามปัญหาต้องรู้เลยว่าใครเป็นคนถามปัญหาต้องรู้เลยรู้ตัวนี้เลยแหละเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ตัวผู้ถามเนี่ยเราก็ถามไปไม่หยุดนะเราก็ถามแล้วก็ไม่เคยรู้จักตัวเราว่าเราเนี่ยมันเป็นผู้ถามพอถามเสร็จพอได้คำตอบเดี๋ยวมันก็มีปัญหาใหม่ให้ถามอีกแล้วเราก็ไม่รู้ตัวอีกว่าเราเป็นคนถามอีกแล้วก็เมื่อไม่รู้ตัวเดี๋ยวมันก็ถามปัญหาใหม่อีก ถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเลยไม่ได้รู้สึกตัวในปัจจุบันที่ขณะถามกำลังถามเพราะว่าการที่เราเห็นตัวเองขณะที่เราถามเนี่ยเราเห็นตัวเองเลยว่าอ๋อผู้ถามเนี่ยมันไม่ใช่ใครหรอกในทางสมมติที่เขาเรียกว่าตัวเรานี่แหละเป็นผู้ถามเพราะนั้นจะต้องรู้จักตัวเราว่าผู้ถามเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสังขารตัวหนึ่งอะ เป็นสังขารตัวหนึ่งคือมันมีความไม่เที่ยงและมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปนะแล้วก็ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าไอ้ตัวเราผู้ถามเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางอย่าหลงยึดถือว่ามันเป็นตัวเราจริงๆมันก็เป็นแค่สังขารในในในใ น, ในความเกิดมาของมันอนะเมื่อพบตัวเราเห็นตัวเราครั้งหนึ่งก็เกิดปัญญาทีหนึ่งว่าเออไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละที่มันประกอบกันขึ้นเป็นขันห้าเป็นตัวที่ต้องปล่อยวาง อ่าเพราะนั้นครั้งพอเจอพบมีสตริรู้สึกตัวครั้งหนึ่งเท่ากับว่าเกิดปัญญาครั้งหนึ่งอ่แล้วก็เราก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆระหว่างฟังแล้วก็รู้รู้ตัวว่าอ่าเราเป็นผู้ฟังเห็นไหมอาจารย์เป็นผู้พูดไอตัวเราผู้ฟังเนี่ยไอตัวนี้ก็คือตัวสังขารตัขันห้าก็ต้องปล่อยวางอีกอืไอตัวอาจารย์ก็เป็นขันห้าเหมือนกันแต่เราไม่ต้องปล่อยวางเพราะว่าเราไม่เคยยึดอาจารย์อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ต้องปล่อยคือปล่อยตัวเองเนี่ยปล่อยวางตัวเองเนี่ยว่าไอ้ตัวเองเนี่ยหรือว่าเรียกตัวเราตัวเราตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยมันยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้มีความชำนาญให้มีความรู้รู้ถึงว่าตัวนี้แหละตัวนี้แหละต้องวางแล้วก็ฟังไปเรื่อยระหว่างที่ฟังเนี่ยก็เห็นตัวเองอยู่เป็นผู้ฟังแล้วก็ตัวเองก็กาลังอาจจะนั่งฟังนอนฟังยืนฟังก็เห็นอยู่ แต่ก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปแล้วก็ระหว่างฟังมันก็คิดไปใช่ไหมเออไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็คิดไปเรื่อยคิดคิดอยากแกถามคิดข้อสงสัยหรือคิดว่าเ อ, อ๊ะดีจังเลยอย่างงู้นอย่างนี้นอ <ๆ S 2> เห็นไหมตัวเรามันก็จะพูดภาคพูดภาคในใจอยู่เงี้ยเรานั่งอยู่คนเดียวมันก็พูดพาก ค, คนเดียวแล้วก็พูดอยู่คนเดียวแล้วก็เห็นมันเห็นมันเห็นเพื่ออะไรก็เห็นเพื่อที่จะปล่อยวางอืม เห็นเพื่อปล่อยวางเพราะการปล่อยวางได้เนี่ยมันจะต้องเห็นมันต้องเห็นเห็นแล้วก็ไม่ยึดในสิ่งที่ที่ถูกเห็นนั้นเห็นเห็นกายก็ไม่ยึดกายเห็นจิตก็ไม่ยึดจิตเห็นธรรมก็ไม่ยึดธรรมเห็นเวทนาก็ไม่ยึดเวทนาอกายเวทนาจิตธรรมเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ปรากฏก็เห็นแต่ไม่มีผู้ยึดเพราะมันไม่มีผู้ยึดไงใครจะยึดล่ะเพราะร่างกายก็เป็นสังขารเวทนาก็เป็นสังขารจิตก็เป็นสังขาร ธรรมะสภาวะธรรมต่างๆเออมันก็เป็นสังขารอ่าก็ถ้ากก่าว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อ่าอันนี้คือปัญญาจากการได้รับคำชี้บอกแล้วเราก็พิสูจน์เห็นแจ้งเห็นจริงขึๆๆๆน้นว่เออเป็นแค่สภาวะธรรมทีนี้เมื่อเห็นพบเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นด้วยความเพียรเนี่ยด้วยการขยันรู้เนี่ย มันก็จะถอดถอนนะบางคนก็ถอดถอนได้เร็วบางคนก็อาจจะถอดถอนได้ช้ามันอยู่ที่ว่าความยึดนั่ น, ม, นมันมันแน่นหนาขนาดไหนคนที่ยึดมั่นมากก็ต้องต้องอาจจะค่อยๆถอนคนที่ยึดน้อยมีความเข้าใจถูกเป็นต้นทุนอยู่แล้วมันก็แค่รู้แล้วก็ทิ้งแค่รู้แล้วก็หลุดเลยพ้นเลยไม่ยึดเลยแค่รู้ไปแค่รู้ไ ป, ไปแล้วก็ฝึกอย่างนี้ให้มากให้มากมาก แล้วจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้ยินได้ฟังจากครูบอาจารย์อีกท่านก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าจะปล่อยวางกายเวทนาจิตสภาวะธรรมแล้วนะแต่ก็ยังมีผู้ผู้ปล่อยอีกยังมีผู้ปล่อยอีกเพราะงั้นต้องปล่อยวางผู้ปล่อยเอกอีกชั้นหนึ่งเพราว่าโอ้ผู้ปล่อยผู้ที่บอกว่าวางแล้วได้แล้วเออ่วางแล้วนะไม่ยึดแล้วต้องวางต้องต้องปล่อยวางผู้นี้อีกเพราะผู้นี้มันก็เป็นสังขารเหมือนกัน หรือว่าบางทีปฏิบัติธรรมมาเยอะยาวนานแล้วรู้ทุกอย่างแล้วรู้ไใจลักรู้อนิจจังรู้ทุกขังรู้อนัตตานะรู้สังขารรู้วิสังขารรู้ไปหมดแล้วแต่ขาดการเฉลียวใจไปว่าอ๋อมันยังมีผู้รู้อยู่ยังมีผู้รู้ตจลักยังมีผู้รู้เอวิสังขารยังมีผู้รู้นิพพานยังมีผู้รู้อยู่เพราะนั้นเนี่ยต้องพบผู้รู้ตัวนี้ว่าอ๋อ มันยังเป็นเรารู้อยู่เมื่อพบผู้รู้ว่าอ๋อมันยังเป็นเรารู้ก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางผู้รู้อีกทีหนึ่งเห็นไหมมันพระนั้นการปล่อยวางได้มันจะต้องพบเห็นต้องพบต้องเห็นด้ก่อนแล้วก็ไม่ยึดถือในสิ่งที่รู้นั้นในสิ่งที่ถูกรู้นั้นสนทําธรรมชาติที่มันรู้อ่ะรู้ที่มันรู้ไ ป, ปร ะ, ะจกักความเป็นต้น มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงอยู่แล้วเรียกว่าผู้รู้เนี่ยตรงนี้เราต้องไปลุ้มมันเพราว่ามันมีอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วก็ให้มันรู้ของมันไปแต่ส่วน้ามันจะติดผู้รู้ว่าเป็นเรารู้แต่ถ้าได้ันเหลียวใจว่าโอ้ยังมีตัวเราอยู่วะยังมีตัวเราเป็นผู้รู้ยังมีตัวเราเป็นผู้รู้ เพราะนั้นเห็นตัวเราพบตัวเราแล้วก็วางเสียแค่นี้มันก็จบจบหมดเลยทั้งสิ่งถูกโลดและทั้งผูรู้ก็จนกรั่งเขาติงความความว่างว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากการอุปท า, านนะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็หลวงพ่อก็พูดมาให้ฟังเป็นแนวทางนะ กรับมาเศ ก, การหลวงพ่อค่ะไม่ได้เจอไม่ได้เข้ามาเลยค่ะ อ, องกออ็ไม่ทราบว่าหลวงพออ่อเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรอยู่คือพอจะ อ, อ่มีหัวข้อเรื่องหรือคปล่าคะด้วยหรือว่าอะไรก็ได้เงี้ยค่ะเออเอางี้เดี๋ยวให้คนที่เขาอยู่ก่อนเนาะเออลองทบทวนที่ว่าเมื่อกี้หลวงพ่อพูดอะไรบ้าง อย่างเช่นโยมโยมเอมนีนาไม่รู้สะดวกคุยไหมยอมสติองเงี้ยเนาะเออลองลองลองลองพูดสรุ ป, ปอีกทีว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยเร่องสักการหลวงพ่อครับพอดีเมื่อสักครู่อาบน้ํามื่อของไทยครับไม่ได้พูดเออหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการที่รู้ตัวในปัจจุบันขณะนะครับที่ผมฟังจัดใจความได้นะก็คือเออปัจจุบันขณะนี้เป็นเรื่องสำคัญในการเรียนรู้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการถามนะครับเวลาถามเนี่ย ถ้าหลวงพ่อบอกว่าเวลาเราฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยจิตเราก็คิดไปเรื่อยครับคิดคิดนู่นคิดนี่คิดไปเรื่อยแต่ละเราไม่รู้ตัวไม่ไม่รู้ตัวผู้ถามอะเราก็คิดไม่ว่าจะคิดผมก็นอนฟังอยู่เหมือนกันนะครับผมเองก็คิดคิดอะไรไปเรื่อยเหมือนกันแต่ก็ฟังหลวงพ่อด้วยแล้วคิดอะไรไปเรื่อยเหมือนกันหลวงพ่อก็เน้นย้าว่าให้ให้ตัดให้ลงตรงให้ได้นะครับสิ่งที่มันคิดอยู่ก็คือสังขารก็คือสิ่งหลายอย่างมารวมกันเป็นตัวเรานั่นเองไม่ไม่ได้มีตัวเราที่แท้จริงนะครับก็หลวงพ่อก็พูด ประมาณนี้ครสรุปไว้ให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้รู้ตัวครับให้รู้ตัวแป้ว่าจะถามอยู่ก็รู้ตัวว่าใครถามนะให้รู้ตัวว่าใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังถ้าพารู้ปุ๊บก็ปล่อยครับประมาณนี้ครับหลวงพ่อครับอ่าโอเคแนละ้วก็พอเป็นแนวทางเพราะว่าต้องย้ําเน้นกันเรื่องความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันเนาะแต่ก็ไม่ได้ยึดถืออะไรทีนี้เอาเดี๋ยวชิโอดีห น, น้าช่วยเสริมอีกหน่อยก็ได้เนะต่อต่ อ, ตอกันในส่วนส่วนที่หลวงพ่อได้พูดไปบ้างแล้ว กราบนามัสการเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีสหธรรมิทุกท่านด้วยค่ะพอดีก็เหมือนคุณสตีพูดนะคะหลวงพ่อค่ะก็ยมนี้หน่านจะเสียอย่างหนึ่งคือมันฟังแล้วมันเข้าใจไปเลยแล้วมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้เพื่อนออกออกออ ก, ออกมาให้เพื่อนได้ได้คือเก่งนะคะไม่เก่งนะคะหลวงพ่อก็คือแต่ความเข้าใจก็คือประมาณว่าหลวงพ่อให้ให้รู้สึกตัวณัปัจจุบันณับปัจจุบันไป แล้วขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อนะโยมนิ่น้าก็จะคือเข้าใจไปเลยแล้วหลวงพ่อก็จะจะเน้นเรื่องตรงที่ก็นั่งไปแล้วก็มันจิตสังขารอ่ะมันก็พูดงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งอยู่ข้างในอ่ะก็มันก็สวนคาพูดหลวงพ่ออยู่นั่นแหละแต่ว่าเราก็เห็นมันอยู่อย่างเงี้ยก็ก็ก็นั่งฟังไปแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างงี้แล้วก็มันก็ฟังแล้วมันก็เข้าใจไปเลยแล้วก็รู้ไปเลยก็เลยถ่ายทอดออกมาให้เพื่อน ฟังไม่ไม่ได้ไม่เป็นไม่เก่งนะคะหลวงพ่อต้องกราบขออภัยด้วยเจ้าค่ะก็น้อ ง, น, องอน้องนิชาน่าจะน่าจะอยากฟังน้องนิชานะคะอ่ากราบขอบุณคะ่ะอีกนิดนึงเนาะแล้วก็หลวงพ่อถามต่อทังนั้นว่าเมื่อรู้ตัวนะรู้ตัวเป็นแล้วเนี่ยรู้กายรู้จิตรู้ใจรู้อารมณ์รู้คำคิด รู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในตัวแล้วเนี่ยที่เป็นปัจจุบันแล้วเนี่ยแล้วมันพ้นทุกได้ยังไงอ่ะเออมันสําคัญยอย่างไรตรงเนี้ยขยายความนิดหนึ่งกาบขอาการค่ะก็คือถ้ามันพอมันรู้ไปอย่างเช่นอะไรเกิดขึ้นมาก็แค่รู้เมื่อเรารู้ไปเฉยๆอ่ะแล้วมันก็จะมีสิ่งอื่นถัดมามันก็จะมีเกิดขึ้นมาใหม่ก็คือเหมือนเราไม่ยึดสิ่งนั้นอะ่ะแค่แค่เรารู้ไปอะไรเกิดขึ้นเราก็แค่รู้แค่รู้ เพราะว่าคําว่าแค่รู้มันไม่มีอะไรให้ยึดอย่างเช่นมีความรู้สึกความคิดตรงนี้เกิดขึ้นมาก็แค่รู้ว่าออมันคิดนี่คือความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ก็แค่รู้พอแค่รู้ไปมันก็เหมือนว่ามันมันมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยมันไม่มีอะไรให้ยึดให้ทุกข์นะคะหลวงพ่อประมาณเนี้ยคะ่ะสําหรับของโยมนะคะอ่าโอเนาะ แล้วเราเมื่อปฏิบัติหรือว่ามีปัญญาเข้าใจถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างนะความแตกต่างของตัวเองไม่ว่าแต่ก่อนนู้นก่อนที่ยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นแต่พอมาปฏิบัติเข้าใจอย่างนี้มันมีความต่างกันยังไงที่พอเป็นพอจะบอกมาแชร์เพ่อให้พวกเราได้ฟังกันโอเคก า, กาบเขากาสค่ะคือแต่ก่อนนะพอเรา เหมือนเราวิ่งหาอะไรสักอย่างพอเรารู้ว่าคือมันมันต้องเกิดมีความทุกข์เกิดขึ้นก่อนเนา ะ, ะคือเราทุกทีนี้เราก็จะวิ่งหาความพ้นทุก์เราก็วิ่งไขว่คว้าสิ่งนั้นสิ่งนี้ฟังธรรมะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมะนั่นแหละก็ฟังก็คว้ามาเรื่อยก็วิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาเสร็จ แ, แล้วพอเรามาเจอตัวที่วิ่งหาเนี่ยตัวที่มันก่อภพก่อชาติเนี่ย พอมันมาเจอตัวนี้แล้วมันมันเหมือนมันมันดูตัวนี้เลยว่าพฤติกรรมตัวนี้มันเขาทำอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่เขาต้องการอะไรอยู่มันมันรู้ทันรู้ทันแล้วก็เมื่อมันรู้ทันนะมันคือมันเฝ้าดูตัวนี้ตัวเดียวเลยมันเฝ้าดูคุณนีหน้าเนี่ยคุณนีหน้าเขาจะทำอะไรก็มีพฤติกรรมอย่างไรอะไรเงี้ยเมื่อมันรู้ตัวนี้มันก็ไม่มีเหมือนไม่มีหน้าที่อื่นที่จะไปทาเหมือนเขามีงานของเขางานเดียว ที่เขาเฝ้าดูคุณนิหน้าอยู่ว่าพฤติกรรมคุณนน่าจะทำยังไงจะไปยังไงมันก็เลยมันไม่ค่อยจะยุ่งทางโลกมันก็สบายมันไม่รู้ยัมจะถ่ายทอดที่อาจารย์ที่หลวงพ่อถามได้ไหมประมาณนี้แหละค่ะมันก็มันสบายอ่ะพอมันรู้จักตัวเองแล้วมันก็รู้จักคนอื่นเมื่อรู้จักคนอื่นมันก็ไม่ไปยุ่งไปวุ่นวายการปฏิบัติเหมือนว่ามันมีงานอยู่ หน้าเดียวประมาณนี้แหละเจ้าค่ะยมไม่รู้ยมจะถ่ายทอดถูกไหมประมาณนี้เจ้าค่ะอ๋อแล้วตามที่เราพอพูดได้เหรอเนาะเหมือนกับโยมนิชาเนาะครั้งก่อนโน้นที่คุยกันยมนิชาก็บอกดูจิตเนาะรู้จิต ร, รู้ไปหมดรู้ไปหมดเรื่องจิตรู้ไปหมดนะรู้จนกระทั่งเจ้าตัวเป็นทุกข์ไปเลยบอกทําไมมันรู้จริงๆเลยทำไมไม่หยุดรู้เสียที <laughs> กลายเป็นว่า รู้เรื่องอะไรนะดูจิตแต่ว่าเราเป็นผู้ทุกข์ซะเองเนาะแต่ก็ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาว่าโอ้ไอ้ที่ดูจิตดูจิต น, นี่เนาะมันยังมีเราเป็นผู้ดูยังมีเราเป็นจิตเลยนะแล้วไม่รู้จะทํายังไงที่จะให้มันหลุดออกมาจากจิตที่เป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยนะแล้วก็ได้ฟังได้ไรก็จนกระทั่งเกิดสติปัญญาเนาะเป็นปัจจต่างก็คือเข้าใจได้เลยว่าโอ้ตอนนั้นนี่มันยังมีเราเป็นเป็นสิ่งเดียวกับจิตเลยแต่ตอนเนี้ยเมื่อรู้เรา เมื่อรู้เราคือก็เรียกว่าตื่นเนาะตื่นรู้แบบมีกําลังมากอะ่ะสามารถที่จะเห็นได้เลยว่าโอ้มันมีเราเป็นจิตจิตเป็นเราแล้วก็พอเห็นเราปับ๊บมันก็เลยหลุดพอหลุดปับ๊บมันก็เข้าใจแต่ใหม่ๆเนาะโยมนิชาคล้ายๆว่าทำหนังว่าจะเรียบเลียงจะพูดยังไงดีนะเพราะว่ามันเป็นของใหม่แต่ตอนหลังนี่น่าจะพูดคล่องแล้วล่ะเดี๋ยวโยมนิชาก็อ่ามาแชร์กันให้พวกเราได้ฟังกันอีกฝีหนึงกันได้เนะาะค่ะ ขอบคุณอาจารย์ค่ะ อ, อาจารย์ค่ะแล้วก็ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เออ่เรื่องเรื่องรู้เนี่ยนะคะมันเยอะมากเพราะว่าไปติดติดไอ้ไอ้ผู้รู้มาเป็นเวลานานมากจนจนทุกข์อย่างที่ อ, อาจารย์พูดเลยเ อ, อหาทางออกไม่ได้เพราะว่ามันรู้ไปหมดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรจะละเอียดกว่านนั้นแล้วคือคือคือฝันก็รู้ว่าฝันอยู่เลยขนาดนั้นนะคะ <c oughs> คือแบบมันกลายเป็นทุกข์ละมันไม่ได้สุขละเพราะรู้เยอะเกิน ก็เลยอยากจะบอกว่าสุดท้ายมันสรุปได้ ถ, ถ้าจะให้พูดละเอียดเรื่องรู้ก็คือแบบว่าจริงๆเวลาเรารู้อะไรอะ่ะมันจะไม่มีผู้เข้าไปเกี่ยวอยู่แล้วนะคะนี่คือความจริง ค, คือเหมือนว่าเวลาเรารู้ว่าเราเราเราไม่ต้องมาแบบมีเรารู้ไงจริงๆเวลาเรารู้อะไรอะ่ะสมมติเราเห็นอะไรอะ่ะมันมีความเห็นเฉยๆนะคะ พอมันมีคาว่าผู้เห็นขึ้นมาหรือผู้รู้ว่าเห็นขึ้นมามันจะมีการบวกหนึ่งละจากศูนย์กลายเป็นหนึ่งละมันมันมันมันไม่ใช่ละมันมีความเป็นเราขึ้นมาตอนเราพูดว่ามันเป็นผู้รู้แล้วนะแต่จริงๆรู้เฉยๆมันมันจะไม่มีผู้ขึ้นมาตอันนี้ต้องสังเกตอย่าไปเชื่อหนูนะคะอันนี้สังเกตเลยนะคะว่าเวลาปุ๊ขึ้นมาแบบระลึกขึ้นมาสติระลึกขึ้นอะไรได้มันจะไม่มี ความเป็นผู้ขึ้นมาเลยว่านี่เราเป็นผู้รู้ไอเราเป็นผู้รู้มันจะมาหลังจากไอจิตดวงนั้นดับไปแล้วตอนที่เห็นอะมันดับแล้วอีกอันนึงขึ้นมาเป็นผู้รู้แล้วและไอตัวนั้นแหละคือการเกิดอัตตาแต่จริงๆอะไอรู้อะมันดับไปหนึ่งวินาทีก่อนหนึ่งไม่ใช่หนึ่งวินาทีน้อยกว่า น, นั้นนะคะมิลิเลยอะมันศูนย์จดศูนย์หนึ่งวินาทีมันดับไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่เราเห็นว่าเราเป็นผู้รู้ أ, เห็นอยู่ไม่ใช่เห็นมันดับไปก่อนแล้วอ่ะค่ะ แล้วตอนเนี้ยที่เราบอกว่าเราเป็นผู้รู้นี่คือการเป็นเราเกิดขึ้นแล้วแล้วเราอะพอเห็นแล้วเราจะมีการแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมาทันทีพอมีการการแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันจะมีการขัดแย้งละมีขั้วบวกขั้วลบละมีการมีการเป็นคู่คู่กันอยู่ละสิ่งต่างๆที่เกิดมาเป็นคู่คู่กันนั่นแหละมันไม่เป็นกลางทีนี้เราก็ต้องไปจัดการกับมัน กระบวนการนี้มันเร็วมากเลยค่ะคือเราต้องไปจัดการกับมันว่าพอเรารู้เห็นเห็นผู้หญิงคนนึ่งละที่เราไม่ชอบสมมตินะเราก็จะทํายังไงดีเราเป็นผู้รู้ละเหนือกว่าละเราต้องจัดการกับสิ่งที่ถูกรู้สิอ่าเราจะวางมันดีไหมหรือเราจะปรุงต่อหรือจะทํายังไงอุ้ยไม่ดีนะมันมันก็แค่เห็นเราต้องแค่เป็นผู้รู้เราต้องวางอ่ามันจะมีการกระทําขึ้นมาเลยทันทีแต่ถามว่าไอ้ที่เห็นผู้หญิงอะ่ะจิตดวงนั้นมันดับไปนานแล้วอ่ะค่ะ มันแค่เห็นเฉยๆมันไม่มีผู้เห็นแต่ผู้มันเกิดมาหลังจากดวงนั้นดับจิตมันมันเกิดดับเร็วมากนะคะถ้าถ้าถ้า ถ, ถ้าตามไม่ทันน่ะมันจะไม่เห็นจุดนี้แล้วเราคิดว่าเราเป็นผู้รู้มือนถึงว่าเราทํางานเป็นผู้รู้อยู่ไอตอนที่มันรู้อ่ะนั่นแหละปัจจุบันจริงๆตรงนั้นก็คือไม่มีผู้ขึ้นมาเลยมันแค่เห็นแค่เนี้ค่ะจบอีก วินาทีนั้นมันถึงจะเกิดขึ้นพูดโอ้ฉันเห็นอ่ะอะอันนั้นมันจบไปนานแล้วอ่ะเราทันไม่ทันมันไงเรานึกว่าเราเป็นปัจจุบันอยู่ตอนนี้คือฉันเห็นนั่นไม่ใช่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันคือฉันคือมันไม่จะไม่มีฉันเลยเวลาเห็นอ่ะเห็นแค่นั้นไม่ไม่เชื่อลงไปทําดูมันเร็วมากเลยอะค่ะแต่ไอตอนที่เราเห็นน่ะไอตอนนั้นมันไม่มีมีผู้เห็นมันไม่มีเราเห็นอย่างเงี้ยค่ะมันมีแค่เห็น ไม่ทาว่างงหรือเปล่าคือคื อ, คอมันเพราะเพราะเราดูจิตมาละเอียดมากเราก็เลยสามารถบอกได้ว่าเนี่ยมันเป็นขนาดอย่างนี้เลยอะค่ะมันละเอียดขนาดนี้เลยอะค่ะเ mm hmm. พราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดคําว่าไม่ได้ยึดอ่ะไม่ยึดก็ได้เราไปให้ค่ากับคําว่าผู้รู้เมื่อไหร่เนี่ย มีอัตตาขึ้นมาเมื่อ น, นั้นเลยมีเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาทันทีพอเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องจัดการกับสิ่งที่ถูกรู้อยู่แล้วนี่เป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วมีอะไรสองอย่างขึ้นมาหนึ่งอย่างมันต้องหายไปหรื อ, อยังไงอะไรเนี่ยมันต้องมีการขัดแย้งกันแต่เวลาเราเห็นอย่างเดียวมันจะไม่มีความขัดแย้งใดๆเลยไม่มีไม่มีดีไม่ดีชั่วไม่ชั่วเอ อ, อะไรแบบของ ค, ค, คู่กันจะไม่เกิดขึ้นอะคะ่ะ เพราะ ถ, ถ้ามีคู่ๆกันเกิดขึ้นแับใดตรงมันต้องมีการกระทําของของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวละอย่างเช่นรู้ปุ๊บปรุงต่อค่ะมันจะมีการบ่นในใจซึ่งเราไม่เคยเห็นนะแต่ว่าใครบอกว่าฉันโกรธแล้วฉันวางมันไม่ใช่นะฉันโกรธแล้วฉันจะมาคิดต่อเสมอเลยค่ะมนุษย์จะเปไหนถ้าถ้าเราไปสังเกตดูว่าเรารู้อะไรปุ๊บเราคิดต่ออะไรบ้างนี่คือการเห็นผู้รู้ผู้ที่ ไม่ได้เห็นผู้ละนี่คือการเข้าใจว่ารู้เสร็จแล้วอะ่ะมันมีการรู้เนี่ยไปปรุงแต่งต่อไหมคือเข้าหาไอ้รู้นี่เลยค่ะตรงๆเราไม่ต้องยุ่งกับสิ่งที่ถูกรู้แล้วเราเราปล่อยมันไปเลยสมมติเราเห็นผู้หญิงไม่ต้องเกี่ยวกับผู้หญิงละมาดูซิรู้ปุ๊บคิดอะไรต่อไหมนั่นคือการปรุงแต่งต่อแล้วค่ะมีเราปรุงต่อไปแล้วถ้าเราเห็นตรงนั้นเราจะเข้าใจว่ามันมั น, ม, นมันไม่หยุดแค่นั้นนะคะพอดีเวลารู้ปุ๊บ มันมันจะหยุดหรือเปล่าเราไปดูลองไปดูรู้ปุ๊บมีอะไรขึ้นมาปั๊บเลยโอ้นางนี้อย่างนั้นอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ฉันเคยเห็นนะอ่ะค่ะอะเนี่ยมันมีการบน่นบ่นคุยอ ย, อ ย, อยู่อยู่ในใจอ่ะคะ่ะนั่นคืออ่อมันรู้แล้วปรุงต่อไอ้รู้เนี่ยปรุงต่อคือการให้ค่ากับรู้นี่เองแต่ถ้าเราไม่ให้ค่ากับมันเลยรู้ปุ๊บ มันก็จะไม่มีไม่มีค่าแล้วรู้ปุ๊บหายค่าแล้วอ่ะคะ่ะคือสิ่งอะไรที่เราไปให้ค่ามันนะมันจะมีเราเสมอะคะ่ะให้ค่าเป็นผู้รู้มันก็มีเราเป็นผู้รู้อยู่แต่มันถ้าเราไม่ให้ค่ากับรู้แล้วอ่ะรู้อะไรมันก็แค่นั้นนะคะทีนี้ อีกหน้าขนาดปัจจุบันมันก็แค่รู้ต่อรู้รู้รู้ไปเรื่อยอะคะ่ะไม่มีการให้ค่าใดๆว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องพูดต่อหรือบ่นต่อปรุงต่อหรืออะไรใด ๆ, ๆเพราะมันเป็นอนาคตอะคะ่ะแต่ถ้ารู้ในปัจจุบันเปะ๊ะอย่างที่มันเป็นนะคะโดยไม่เอาเราขึ้นมาแทรกใดๆมันก็แค่อยู่กับตรงนั้นเลยอะคะ่ะรู้ปุ๊บเลยแค่นั้นรู้รู้อย่างเดียวเลยอะคะ่ะ พอรู้ปุ๊บมีการคิดต่อนั่นคือมีเราแล้วเมื่ อ, อไหร่ที่มันรู้ปุ๊บคิดต่อมีเราขึ้นมาทันทีนะคะแล้วต้องสังเกตดูว่ามันมีไหมแต่การไปสังเกตก็อาจจะเป็นอุบายแค่นั้นนะคะเพราะเดี๋ยวก็จะเป็นผู้สังเกตอีกมันจะซ้อนกันไปไม่จบไม่สิ้นเลยอะคะ่ะนี่เลยค่ะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ละเอียดอยู่ พอพอเราเห็นตรงนี้มาเราก็แบบอ๋อโอเคเราก็เราก็เข้าใจกระบวนการว่ามันมีการปรุงต่อหลังจากรู้แล้วไงต่ อ, อยังคะ่ะเราก็ถามตัวเองว่าเอา้าแล้วกระบวนการต่างๆนี่ใครเป็นคนเห็นใครเป็นคนดูว่ารู้มันเป็นอย่างนี้รู้มันเป็นอย่างนั้นแล้วใครเป็นคนคือคือมันจะมีอีกมันจะเห็นเห็นจากปัญญาวะ่ะอ้อมันมีอีกตัวหนึ่งที่มาเห็นกระบวนการนี้อีกที มันก็จะวางรู้ผู้รู้ไม่ได้วางแบบดับทําให้ดับไม่ใช่อค่ะวางในที่นี้คือให้ค่ากับมันแค่นั้นแหละคือเราไม่ได้ให้ค่าความหมายกับมันแล้วแค่นั้นเองอะค่ะคือไม่ให้ค่ากับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะจางหายไปจากชีวิตเราอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปถ้าเราโฟกัสกับที่ที่หนึ่งข้างหลังจะเบลออะค่ะจริงๆมันทํางานอยู่หมดอะข้างหลังอะ มันเหมือนเดิมทนะั้งนั้นแต่มันแค่เบลอก็เหมือนผู้รู้ถ้าเรามีอีกตัวหนึ่งที่ชัดกว่ารู้มากกว่ามันหรือว่ารู้เกี่ยวกับมันไอรู้ไอผู้รู้ตรงนี้ซึ่งเป็นวิญญาณอะคะนี่มันจะเบลอหมายถึงมันจะทางานอยู่แต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสกับมันแล้วเหมือนมันจะหายไปเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็มายึดอีกตัวหนึ่งละโอ้ตัวนี้เจ๋ง ตัวนี้มันดีกว่าตัวนี้มันโอ้โหรู้รอบเลยมันเห็นหมดอ่ะทีนี้เราก็มาเกาะอีกเนี่ยค่ะมันเกาะไปเรื่อยๆเลยค่ะมันซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้ทุกอย่างมันแค่จิตจิตดวงแบบอันเดียวกันหมดเลยนะมันเป็นขันห้าทั้งหมดเลยนะมันก็จะวางความมั่นหมายยึดมั่นถึงมั่นกับจิตของตัวเองเลยเหมือนว่าจิตเห็นจิตเลยอ่ะค่ะเหมือนว่าเห็นตัวเองเลยว่าโอ้เรากําลังยึดมั่นกับสิ่งที่เราเรียกว่า เหนือขันห้าพอระวังขันห้ามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราไปยึดอยู่หรือว่าตัวว่างๆหรือไม่มีอะไรนั่นแหละอันนั้นก็อันเดียวกันผีตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะก็วางมันไปด้วยกันเลยวางนี่หมายถึงว่าวางความสําคัญกับเกี่ยวกับมันวางมันหมายถึง ว, า, วางความสําคัญว่ามีความพิเศษคือเราไม่มีขั้วบวกขวั้วลบหรือมีความว่าคู่ๆแล้วอันนี้ตัวรู้ดีกว่า อันนั้นเจตสิกอันนี้ผู้รู้ที่ถูกรู้อะไรอย่างเงี้ยมันมีการการการการแบ่งแยกสถานะอยู่พอเราไม่แบ่งแยกสถานะกับสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วอ่ะแล้วเห็นว่ามันก็ตัวทุกทั้งหมดเลยทั้งกองนี่เลยนะที่เรารู้เราเห็นเราดูถึงแม้เราจะมาออกจากผู้รู้แล้วก็ยังมีรู้อีกตัวนึงเนี่ยถ้าเราไม่ให้ค่ามันเลยสักอันหนึ่งมันก็เป็นการ วางโดยสิ้นเชิงเลยค่ะถึงแม้จะเป็นนิพพานหรือไม่ น, นิพพานมันก็ไม่ให้ค่าแล้วเพราะเราวางจิตไปเลยจิตควาว่าจิตเนี่ยเราให้ค่ามันตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะเราวางความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดๆตัวเรามันก็หายไปตามนั้นเพราะว่ามันไม่มีที่เกาะแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าคุยแบบงงหรือเปล่าคะหรือว่ายังหงพ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ